ที่แจง้งกติกาการซึ่งเนื่องจากเรามีเวลากันไม่มากต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ไปทำกิจการงานรูบรมบ้างงานดูแลเสนาสนะในการที่จะเก็บตัวต่อเนื่องกันยาวๆหลายวันมีน้อยเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ใ น, นช่วงเชา้าตั้งแต่ผู้เก็บปรุมตั้งแต่ตีสามครึ่ง ตีสีครึงเนี่ยต้องตื่นขึ้นมาทําความเพียรด้วยการออกกำลังกายการออกกำลังกายผมให้ความสําคัญเพราว่ามันช่วยให้เรารักษาความกระปี้กระปร่าของ ร, ร่างกายจิตใจแล้ ว, วสติปัญญามันสมองถ้าเราไม่มันออกกําลังกายนะี่ยมึงแม่เราจะหนุ่มอยู่แต่ว่าสติปัญญาและสมองเราไม่จะตื่นรุนเป็นคนเหน็ดเหนื่อยเฉื่อยชายืดชืดแล้วก็ไม่ไม่แข็งแรงนะะเป็นคนหนุ่มตอนที่ป่วยนะ เพราะว่าไม่ขยันออกกำลังกายต่อไปว่าดอยผมกูจะต้องเป็นเอกลักษณ์แบบนั้นที่สามครึ่งที่สี่ครึ่งต้องเจริญสติด้วยกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเพราะเราในช่วงที่มีชีวิตมุ่อยู่ก็ย้ทํทำงานให้เต็มที่ไม่ใช่มีกำลังกายอย่างเดียวมีสมองมีสติปัญญาตือรือลน้นไม่เป็นคนเฉยชาขี้เกียจไม่รับผิดชอบ แต่ถ้าหากเราเออกกําลังกาย ป, ประจำกําลังกายดีสติปัญญาดีสมองดีจเป็นคนรับผิดชอบตรงต่อเวลาแล้วก็พิจารณาทําในสิ่งที่เหมาะที่สมที่ควรรู้จักกาลาเทศะที่เกิดสติปัญญาอันใดคนทําอะไรไม่คนทําไม่ใช่ปล่อยเวลาสนุกกับเรื่องเล่นๆไปวันๆโดยที่ไม่ทําอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันก็จะเสียเวลา เมื่อสี่โมงครึ่งนั้นการเก็บอารมณต่อไปผมจะว่าให้ช่วงเช้าจะไม่ให้อยู่ที่พักต้องมาทําวัดเช้าไปสอบอรมณ์ทำวัดเช้าสอบอรมณ์แล้วก็ลวดรับอาหารเช้าไปพระที่ไม่ได้เก็บอรมณก็เอาพินทาบาทเพราะนั้นอาหารเชาา้าสังฆูเก็บอรมณ์จะเตรียมเอาไว้เป็นผักผลไมจ้จะไม่เป็นอาหารหนักจะให้ยมเตรียมไว้ให้ให้ยม ติ๋วยืตถิ่มคือมาเตรียมให้ทุกวันการบัญชีจะเข้าเก็บบล็อมไม่เลยว่าเพราะนั้นคนไหนเข้าเก็บบล็มจะต้องรักษากติกาพอสมควรถ้าคนไหนเก็บลมแล้วไม่รักษากติกาก็ไม่ให้เก็บออกมาช่วยกันทํางานเหมือนเดิมเพราะนั้นตีสามตีสี่ครึ่งก็กําลังกายจะออกที่อยู่ของตัวเองก็ได้แต่ออกที่อยู่ของตัวเองไปดูแล้วตีสามตีสี่ครึ่งไม่ได้ออกแล้วไม่ได ไม่ได้ตื่นขึ้นมาตามตามเวลาก็จะให้ขึ้นมาทำร่วมบนสา ร, รชาช่วงเช้าหมายความที่สามถึงที่สี่นี้ถ้าหากใครมีความรับผิดชอบเรา เ, เองจะทำที่กุติแต่ผมก็ต้องไปตรวจ ด, ดูทำจริงหรือเปล่านี่นะถ้าไม่ได้ทำก็จยขึ้นบอกให้ขึ้นมาทำด้วยกันที่นี่ที่สามถึงที่สี่ครึ่งก็จะเขียนเป็นกติกาเอาไว้ แปะไว้ที่กุฏิเตือนเตือนว่าอาจจะลืมก็ได้นั น, นี่เป็นกติกาที่เราตกลงนะคือจะทําเหมือนก่อนไม่ได้แล้วมันไม่พัฒนาไปนอนแช่นอนเล่หมดหมดไปวันๆเราไม่ได้อะไรเป็นเรื่องเป็ราวอารมณ์ก็ไม่พัฒนาไปนอนพักผ่อนเล่นเฉยๆนี่ก็ไม่เอานะต้องต้องพัฒนาช่วงตีสี่ 4, ครึ่งพอมาทําวัดด้วยกันตีห้าถึงตีห้าครึ่งนี่ก็ หรือบางทีอาจจะไม่ตรวจนะฮะว่ามีเรื่องอารมณ์ต้องสอบเวลาไม่พอจนหกโมงพระที่ไม่เก็บอารมณ์ก็ไปบิีธบาตพระที่เก็บอารมณ์ก็รับอาหารเช้าไปฉันยมจะจัดใส่ถุงก็จะติดเอาไว้เป็นน้ําเป็นนมเป็นของเหลวเป็นผักผลไม้ก็แล้วแต่เพนยินเสียงะระฆังก็เอาบาตรช่วงบ่ายผมก็จะตามไปสอบอารมณ์ในช่วงบ่ายนี่จะไม่บอกเวลานะไปช่วงไหน ถ้าง่วงตอนไหนก็ไปตอนนั้นแหละต่ไม่รู้ไงถ้าหากว่าผมรู้นักปฏิบัติเก็กบอารมณ์ง่วงนอนช่วงไหนมันมันเกิดตะกิ้ตะกิ้ขึ้นในใจมันจะไปหาเลยไปก็เจอจริงๆแหลนะก็เป็นส่วนหนึ่งเคยเป็นประสบการณ์พะช่วงหลังเพนไปแล้วไปถึงช่วงเย็นไปนอนประมาณสามทุ่มนะถ้านอนก่อนสามทุมก็คุณไหนนอนก่อนสามทุ่มก็จะให้มาทําวัดเย็นร่วมกัน แต่คนในรักษาเวลาได้ถึงสามทุ่มก็จะให้แต่ไม่ต้องทำวัดเย็นที่พุทธยปฏิบัติอย่างเดียวเลิกกันเหมือนกะทิศาลาสามทุ่มก็นอนตื่นทรีสามครึ่งก็เพียงพอสำหรับคนุงหกชั่วโมงครึ่ง น, นั้นเราต้องฝึกกันจริงจังเพราะว่าผมไปคือฝนคนต่างประเทศนี่มันระเบียบเขาเปียบเปียบเพราเขาค่อนข้างจะพัฒนาไปได้ไกลแต่คนไทยคนไทยของเราแล้วแต่ ตาใจฉันนึงก็คงไม่พัฒนาเพราะนั้นที่ว่ดดอยของเราต้องต้องเปลี่ยนสรุปบางอย่างใหม่นะเพราะว่ามันเราไปสอนไปอบรมคนอื่นได้แต่มาทำกับคนของเราไม่ได้มันมันไม่ใช่นะมนไม่ใช่ถ้าคุณไหนทำตามกติกานี้ได้ก็ก็พัฒนา้ช่วยงานพระศาสนาได้ช่วยเหลือตัวเองได้ช่วยเหลือครอบครัวได้ช่วยเหลือญาติพี่น้องได้ เราจะเอาตัวรอดเพียงคนเดียวนั้นมันไม่ได้แต่การที่เราจะช่วยคนอื่นได้ด้วยเราต้องช่วยเราตัวเองเต็มที่ในช่วงที่เราพัฒนาเพราะนั้นในช่วงเก็บอารมณ์ช่วงนี้ก็แล้วก็ได้ประโยชน์วันสุดท้ายก็ต้องออกมาเล่าให้เพื่อนฟังถึงอารมณ์ต่างๆให้ชัดเจนบอกว่าเล่าไม่ได้นี่ก็ไม่ใช่เพราะว่าเราทําได้มันก็ต้องพูดได้ในสิ่งที่เราทําแต่แตวันแต่ละวัน เวลานาทีทําอะไรบ้างก็ทําจิตวันเดียววันที่แปดก็จะตอนเย็นๆก็ออกมาแช่มาสัมมนาพูดคุยกันคือทําเหมือนกันที่เราจัดคอร์ดอ่ะทำเหมือนที่จัดคอร์ดเพียงแต่ว่าในช่วงช่วงเย็นถ้าหากว่าช่วงบ่ายช่วงเย็นถะว่าใครนอนก่อนหรือถือโอกาสไม่ทําความเพียรต่อเนื่องก็ต้องให้มาทําวัดเย็นด้วยนะ น, นีแล้วตเตืนเป็นคนๆไปญาติโยมด้วยก็จะให้มีอธิกาเหมือนกันเงั้นใครเก็บอารมณ์บางก็ในช่วงเชา้าออกกำลังกายตั้งแต่ตีสามครึง่งถึงตีสี่ครึ่งชั่วโมงหนึ่งแล้วก็สอบอารมณ์ทำวัดแล้วก็สอบอารมณ์ช่วงเช้าต้อง ในช่วงสองสามวันนี้ต้องมาศาลาก่อนถ้าคนไหนตามปฏิการช่วงเช้าทำได้ก็วันที่สี่ที่ห้าหกเจ็ดแปดไปก็จะให้เก็บเข็มด้วยตัวเองที่ที่กุฏิเลยถ้าคนไหนยังทำไม่ได้ในช่วงสามวันตามปฏิการนี้ก็ต้องมาทำวัดเช้าทุกครั้งเหมือนเดิมเขาก็ดูันว่าใครเข้มแข็งทำได้ตามปฏิการนี้แล้วก็ก็จะได้แหละ อนุาเป็นรายไปนี่เพื่อตอนไปทำงานเนี่ยผมทำงานหนักอยู่คนเดียวทั้งปีทั้งชาติโดยที่พวกเราไม่พัฒนาช่วยกันได้มันมันก็ไม่ใช่นะเราทำได้ด้วยเราอุมพาทำเราทำได้ด้วยเวลาผมไม่อยู่พวกเราก็ทากันได้ทำงานกันเองได้นะมันก็เป็นการช่วยกันถ้าผมอยู่ก็งานก็ทาเดินผมไม่อยู่งานทุกอย่างไม่เดินมันไม่ใช่ มันจะต้องทํางานแทนกันได้วางอย่างที่เราสามารถจะทําได้เพราะเราภูมิทําเข้มแข็งเรือการกล้าพูดกล้าทํากล้าชนคนปฏิบัติปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้คนมันมันเป็นไปเองถ้าเราปฏิบัติไม่เข้มแข็งเราความอาถารความกล้าหาญของเราไม่พอปฏิพัน์ไว้พิบของเราไม่พอแต่ถ้าเราปฏิบัติอย่างจริงจังเนี่ยปฏิพัน์ไว้พิบความอาถารมันมันพอนะ่ยที่จะทํางานได้ที่ผมทํางานมา อันนั้นเองเราก็ต้องเห็นแก่คําสอนพุทธเจ้าที่เราเข้ามาได้อาศัยพึ่งพาคําสอนของท่านได้โอกาสมีสละไม่ถูกครอบงามไม่ถูกเบียดเบียนจากทางโลกเพราะคําสอนของท่านนั้นเราก็ต้องทําคําสอนของท่านอย่างเคร่งครัดเพื่อบูชาที่เราได้อยู่ได้กินได้สบายไม่ต้องทุกข์ยากลําลบากเดือดร้อนเหมือนชาวบ้านก็เพราะอาศัยบารมีธรรมของท่าน เราจะมาใสาบารมีทำท่านผ่านสนุกสบายบวันวันๆมันไม่ได้ศา ส, สนาเราก็เสื่อมเพราะมีคนบวชเข้ามาเพื่อหาความสะดวกสบายอ่อนแอต้องต้องทำนะถ้าไม่ทำก็ต้องเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพัฒนาเราปฏิบัตินี้เข้มข้นแล้วต่อไปเราดูแลรุ่นน้องต่อๆไปเราก็มีวิธีการที่จะช่วยเขาได้ ในช่วงเราช่วยตัวเองก็ไม่ได้แล้วอายุพ่านสามมากไปข้างหน้าแล้วว่าช่วยตัวเองก็ไม่ได้ช่วยคนอื่นมาได้สแสดงชีพมันล้มเหลวอ่ะมันก็เอาอะไรไม่ได้อีกเหมือนันเพราะฉะนั้นเรื่องเท่านี้มันมันไม่ใช่เรื่องทุกข์ทรมานเป็นเรื่องที่เราเป็นผลดีต่อเราอ่ะทําให้เราฝึกฝนมีความเข้มแข็ง อ, อ, อาถรรพ์สามารถทําสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ตัวเองได้และช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วย เราก็จะผลัดกันทํานี้เป็นเป็นระยะระยะระยะไปตลอดพรรษาพอพรรษาแล้วเนี่ยเราสามารถจะทํางานได้พูดได้มีความอาทรรมีความาเข้มแข็งในธรรมได้นะะฉนั้นเองก็ลองๆองดูนะเป็นการเก็บอารมณ์แบบสาธิตถ้าระดำได้ข้อแรกได้สําเร็จข้อต่อไปก็ไม่ยากนั่นก็จะใช้เวลา การดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันเพื่อที่จะเป็นประโยชน์แก่ตัวเราแก่พระศาสนาและที่สำคัญก็คือถ้าเราทาถูกทำจริงทำจังบุญกุศลที่เราได้เนี่ยมันจะคุ้มครองถึงพ่อแม่พี่น้องของเราที่เขามีพระคุณต่อเราเก็จะชีวิต ในครอบครัวก็จะดีขึ้นชีวิตส่วนตัวก็ดีขึ้นแต่ถ้าเราปฏิบัติเล่นไปเพราะพะแป๊บโดยอาศัยพระาศาสนาโดยที่ไม่ได้ทาปฏิบัติทมบูชาท่านอย่างจริงจังเนี่ยมันก็เป็นบาปเป็นกรรมมันจะเป็นการหลอกตัวเองว่าหลอกคูอื่นไปเียมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนอกจากจะไม่ได้บุญแล้วก็เป็นบาปเราอาศัยพระาศาสนาสบายไป วันๆแต่ว่าไม่ได้ทำาการปฏิบัติตามธรรมวินัยของท่านอย่างจริงจังอันนี้นเราคงจะต้องช่วยกันช่วยพระศาสนาเพราะพระศาสนาเรามีปัญหามาจะอยู่ไม่ได้ประเทศไทยของเราเพราะดางคนทำลายพระศาสนาคนละด้านสองด้านแล้วก็ศา ส, สนาอื่นเขาก็ลุกลานเข้ามาด้วยความอาศัยความบุกร่องความ ไม่กระตือรือ้นไม่ช่วยกันเผยแพร่ของพระสงฆ์เรามีแต่บวชเข้าไปหาลาภหายศหาสการะหาชื่อเสียงเกาะกินกับพระศาสนาในที่สุดพระศาสนาก็จะอยู่ไม่ได้ศาสนาอื่นเข้ามายึดไปไล่เราออกไปทีนี้ในอนุชนรุ่นอนาคตเนี่ยเขาก็ไม่มีศาสนาที่อาศัยก็เดืดร้อน อ, อนุชนรุ่นต่อไปก็ไม่ใช่ใครลูกหลาน ของเราทานั้นนะนะอันนั้นเรียกว่าเราเดือดร้อนในอนาคตดังนั้นแม้ว่าจุดที่เราทําเป็นจุดเล็กๆแต่ว่าถ้าเราทําอย่างจริงจังแล้วเนี่ยมันก็จะแผ่ขยายกว้างๆออกไปเหมือนแสงไฟในจุดเล็กๆมันอยู่ในที่มืดมันอยู่ไกลขนาดไหนแล้วก็เห็นเด่นชัดอถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติเข้มแข็งได้ผลแล้วเนี่ยแม้เราเป็นจุดเล็กๆคุณก็ได้ รู้ได้เห็นได้เข้าใจก็ต้องการที่จะให้เราไปช่วยเขาได้เพราะฉะนั้นเองก็ไม่อยากจะให้เสียเวลาที่แล้วแล้วมาแล้วก็มีการดูแลเสนาสนะเนื่องจากว่าเราอยู่ในที่สูงอะไรหลายๆอย่างมันก็จะลําบากแม้ว่าจะมีข้อดีหลายอย่างมันก็มีข้อเสียอยู่ด้วยข้อดีทําให้เราวิเวกอากาศดีมีความเป็นส่วนตัว เราก็อาศัยข้อดีเหล่านี้มาพัฒนาตัวเองในส่วนข้อม่ดีเราก็ช่วยกันปรับปรุงแก้ไขพัฒนาไปเรื่องเส้นทางเรื่องที่อยู่เสนาสนะน้ําไฟสิ่งเอาขึ้นมายากลําบากเราก็ช่วยกันดูแลอย่างที่เราทํากันมาแต่พคนอ่าข้อด้อยเพื่อแลกเปลี่ยนเอากป็ข้อดอีนั้นก็ในช่วงสองสาวันนี้ผมก็คงจาช่วยเหลือเต็มที่หน่อย แต่คนไหนที่รักษากติกาติ่จังระยะสองสามวันี้ได้ก็จะปล่อยให้ทําเองแต่คนไหนยังรักษาไม่ได้ก็อาจจะให้ออกมาทํางานข้างนอกเหมือนเดิมเพื่อที่ประโยชน์ทั้งสองด้านถ้าไม่ได้ประโยชน์ด้านปฏิบัติก็ต้องมาทํางานถ้าไม่หยุดไม่ได้ประโยชน์จากการทํางานก็ต้องปฏิบัตินะ เราจะอาศัยศาสนาโดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปวันวันคงไม่ได้มันก็จะได้ช่วยกันรักษาพระศาสนาโดยเฉพาะในวิธีการอพอทพิยนีนมันเป็นวิธีการที่ชัดเจนแจ่มแจ้ ง, จงไม่สงสัยเพราะว่าครูบาอาจารย์ทัานพิสูตรร่วมกันมาทังนั้นก็ขอให้ตั้งใจในเบื้องแรกเนี่ยให้ไปสังเกตและศึกษา เรื่องรูปนามให้ชัดก่อนแม้ว่าจะรู้รูปนามแล้วก็ตามต้องไปศึกษาสังเกตให้ชัดและการรู้รูปนามนี่มันจะทำให้เราหายขี้เกียจหายนิวรณ์หายสิ่งเสพติดทุกอย่างอย่างน้อยสามอย่างหายขี้เกียจนิวรณหายไปความอ่นอาดหายไปถ้ามันถูกต้องนะแต่ถ้ามันผิดพลาดอยู่นิวรณก็มาเหมือนเดิมความอึดอัด ก็มาเหมือนเดิมแอบเสพยาเสพติดเหมือนเดิมอะพวกจะเอาเครื่องดื่มกาแฟน้ำนมอะไรนี่ไปไว้ที่กุฏิไม่ได้นะเพราะว่าช่งชาวงเช้าช่วงเพลมารับแล้วกแว็แล้วเห็นว่าคนไหนแอบพวกเอานมเอาอะไรไปไว้ที่กุฏิก็ไม่ให้เก็บเพราะว่าไม่ไม่ตรงไม่ซื่อตรงกับตัวเองที่กุฏิต้องมีแต่เครื่อง นอนเท่านั้นเก็บพกโทรศัพท์ของชายไม้สอยอะไรต่างไว้ที่กุฏิเพราะนั้นเราถึงให้เก็บอารมณ์ในกุฏิต่างหากไม่ให้กุฏิที่อยู่เพราะว่ากุฏิที่อยู่เป็นที่แอบซ่อนอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้เราเอำนวยความสะดวกทำให้มีช่องว่างให้กิเลสมันอาศัยได้แล้วก็พยายามเลาะเอาสิ่งที่มันจะรอดให้เราเสียเวลา ออกไปออกไปอยู่ที่กุฏิที่ไม่ได้อยู่เราก็เพียงแต่เตรียมกุดเตรียมมอนเตรียมเสือไปก็ปห่มไปก็พอลนนะในขวดน้ำไฟฉายอหรือว่าถ้าเปิดไฟมันนี่ก็จุดเทียนไขไว้ข้างนอกก็ได้กะมั น, นดมดแมลงอะไรต่างก็เพราะว่ากุฏิแต่ละกุฏิมันมีมุงลวดถ้าไปจุดไฟว่าข้างในพวกมดพวกแมงพวกอืหรือบางทีก็อาจจะ เอาเทียนจุดไว้ข้างนอกเพื่อล่อไฟร่อมแมลงเพราะว่าช่วงเก็บกรดมเราก็ไม่มได้ใช้แสงสว่างอะไรมากมายตื่นขึ้นมาต้องเก็บที่นอนหมอนมุ้งให้เรียบร้อยเหลือแต่ที่นั่งปฏิบัติถ้าเราทรํทจ า, าจริงทํำจรางต่อเนื่องเราันได้อานิสงส์จริงๆนะตามที่ผมได้ปฏิบัติมาเปลี่ยนชีวิตเราได้จริงๆเราจะเป็นเหมือนเดิมที่เราเคยเป็นมานั้นมันก็ไม่มีอะไรน่า น่าภูมิใจในชีวิตเราชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปจากคนอ่อนแอไปคนเข้มแข็งจากคนขี้เกียจไปคนขยันจากคนที่กระด้งางกลายคนอ่อนน้อมท่อมตนแล้วเป็นคนเห็นแก่ตัวก็กลายเป็นคนเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่มันมันเปลี่ยนไปมันจะเป็นคนพูดสนุกสนานผิดกล้าเทสะกลายเป็นคนที่มีแก่นสารสาระรู้จักพูดรู้จักทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์ มีสติปัญญาจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปถ้าเราทำได้จริงเพราะนั้นความเพียรน่ะมันเป็นความเร่าร้อนชนิดหนึ่งเพื่อจะเผากิเลสถ้าไม่ทำความเพียรอย่างจริงจังกิเลสมันมั น, ม, นมันไม่มไม่ไมหิวไม่ตายเพราะกิเลสมันก็ซ่อนอยู่กับความสบายถ้าเรารักติดสบายก็หมายความกิเลสมันก็ซ่อนอยู่ ถ้าร่างกายนี้มันมีความเขียนสูงกิเลสไม่มีแอบซ่อนไม่ได้กิเลสตัณหาประทานมันมากับความสบายความอริดอร่อยความสนุกสนานความเพลิดเพลินมันมาด้วยกันแต่ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้อยู่ะไม่มีความติดสบายมีความสนุกสนานเพลิดเพลินมีแต่ความตั้งใจตื่นรู้อย่างต่อเนื่องร่างกายอาจจะหนักน่วงทงทับบ้างก็ต้องทนเพราะมันเป็นไฟ เรีกว่าตะบะความเพียรเ้าตื่นตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะไม่ให้ความสบายหรือเกียรติไม่ไปอาศัสอยู่นะในการออกกำลังกายนี้มันจะช่วยให้เราได้เข้มแข็งทั้งอีซีกายอีซีจิตนะเดินลงเดินสะดวกไม่อ่อนเพียเียแรงไม่ง่วงหรือนิวรไม่เข้านานเกินไปไเกิดสติปัญญา ปฏิพัน์ไวพิบในการแก้ไขอย่างทันเหตุทันการไม่ปล่อยให้แช่ให้จมในนิวรณ์ต่างๆสติปฏิพันธ์นเกิดขึ้นมามันรู้เท่าทันได้เร็วการฝึกนะเพราะฉะนั้นก็ลองดูนะถ้าไม่ลองไม่รู้ว่าเราทำได้แค่ไหนมันก็มีสิ่งที่เป็นบทศักย์หลายอย่างก็คือการฝึกนี่แหละ คนไหนฝึกได้ก็ถือว่าได้เป็นแบบอย่างโดยเฉพา ะ, ะสังคมของพระเป็นสังคมตัวอย่างแล้วต้องช่วยกันทำแต่ที่แล้วมาสังคมของพระเป็นสังคมที่ต้นตอให้เกิดความชั่วร้ายทั้งหลายมันก็เลยทำให้บ้านเมืองเดือดร้อนเพราะความขี้เกียจความเห็นแก่ตัวความติดสบายเป็นต้นตอของความชั่วร้าย มันก็เลยออกมาจากนักบวชเขากพยายามจะลือนักบวชลือพุทธศาสนาทิง้งหุ่นทุจตรของความเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีกับชาวบ้านดิดลาัการะแล้วก็ทำสารพัดอย่างที่จะหลอกลวงชาวบ้านที่เราเห็นดูแล้วเราก็แก้ไขอะไรไม่ได้เพราะเราไม่มีหน้าที่นอกจากมาปรับปรุงตัวเราเองไม่ให้มันเป็นไปอย่างนั้น พุทธศาสนาที่เป็นธงชัยของอิสระผู้สแสวงหาการหลุดพ้นก็เลยพอมีปัญหาอยู่ไม่ได้ น, นั้นเองก็สัญญาณแรกของการปฏิบัติคือพยายามทำความขายันรูปนามเสีใหม่ถ้าลูปนามเข้มแข็งแล้วเนี่ยดวอนมันจะตั้งอยู่ได้ไม่นานความเบื่อหน่ายความขี้เกยียจจะตั้งอยู่ได้ไม่นาน ก็มันมันจะแก้ไ ข, ขมันมันได้แต่ถ้ารู้สึกว่าถ้ารูปนามเป็นเบื้องต้นที่สุดของวิธีการนี้นะถ้าเรายังไม่เข้าใจรูปนามรูปนามไม่ชัดก็ต้องต้องตามรู้ต้องขยันทำยิ่งทํามากเท่าไหร่ตัวรู้มันเข้มแข็งมันก็จะไปเข้าใจสภาวะอะไรต่างๆคือเห็นความรู้สึกรู้ตัวตรงๆอันหนึ่งเราเห็นความทุก มันเกิดกับกายกับใจนี้อันหนึ่งแยกจากกันได้ในว่ารู้รูปนามคือรู้รูปนามต้องแยกความรู้สึกกายกับรู้สึกใจออกกันได้รู้สึกกายคือเวทนาต่างๆรู้สึกใจคือความรู้สึกรู้เนื้อรู้ตัวนะค่อว่าความรู้สึกตัวได้ แ, แก่เป็นที่รวมของสติสมาธิปัญญาคําว่ารู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นที่รวมของคําว่าสติสมาธิปัญญา แต่พอรูกายหมายถึงรู้อันเป็นเวทนาทั้งหลายเวทนาหยาเวทนากลางเวทนาละเอียดเวทนาหยาไปแก่ความปวดความมุยความหนักง่วงทุ่มทับความนมึนความร้อนความหนาวเย็นร้อนอ่อนแข็งเคร่งตึงนี้เป็นเวทนาทางกาย <c oughs> แต่เวทนาที่เป็นทางจิตวิญญาณ เวทถ้าหากเราควบคุมแก้ไขเวทนาทางกายไม่ดีเนี่ยมันก็จะเกิดเวทนาทางนามรูปคือเกิดความเบื่อความขี้เกียจความหน่ายความฟุ้งซ่านความโ่วงเงาห้องนอนความเบื่อเซ็งความล้าความไม่สนุกอะไรพวกนี้มันจะกลายเป็นเวทนาทางจิตขึ้นมาแก้ยากเพราะฉะนั้นถ้าเราพัฒนาความรู้สึกตัวคือตัวรู้คือสติสัมปชัญญญาแยกออกระหว่างความรู้สึกกาย ความรู้สึกตัวกับความรู้สึกใจที่จะเป็นผลอันมาจากที่เราตามรู้ไม่ทันกับความรู้สึกกายความเย็นแล้วน่องแข็งมีอยู่เราไม่รู้เท่าทันมันความหนักความเบาเวทนาหยาบคือความหนักนุ่ความปวดความเมื่อยความไม่สบายกายนี้เรียกว่าเห็นเวทนายาบเราก็ตามรู้ศึกษาแก้ไข มีวิธีการรูนน้รูปแนวความข้างต้นลความรู้ที่เป็นเวทนาภายในอีกอันหนึ่งก็คือความรู้สึกเย็นเกินไปร้อนเกินไปหนาวเกินไป อ, อ่อนแข็งตึงเครียดตามสินซสายต่างๆรวมขึ้นเบื้องสูงรวมรวมเงเบื้องต่ำความกดดันอะไรต่างๆเราก็ใช้ความรู้สึกตัวนี้เข้าไปแก้ไขกลับมาความมาความรู้สึกตัว ที่เป็นสติสมาธิปัญญาเพื่อที่จะไปดูความรู้สึกกายที่มันไม่ดีแล้วก็ค่อยแก้ไขบําบัดออกไปด้วยปัญญานั่นจะมีการออกกาลังกายเพื่อที่จะเอาท่าบางท่านไปใช้แก้ได้เพาโดยเฉพาะท่่งท่าที่ฝึกให้ก็ดีเอ็เควีที่ฝึกให้ก็ดีฝึกให้หมดแหละแต่ว่าเราจะใช้หรือไม่ใช้ถ้าเราใช้ประจาผมใช้ประจำมาสามสี่ปี มันก็ไม่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรทำงานได้ทั้งปีโดยที่ไม่ต้องพักนะเพราะฉะนั้นถ้าเขาขยันทำแล้วมันได้ประโยชน์จริงๆได้ประโยชน์จริงๆก็อยากให้ศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจนะเพื่อที่จะได้ประโยชน์ดัทงที่กล่าวแล้วได้ประโยชน์ต่อพระศาสนาได้ประโยชน์แก่ตัวเราเองได้ประโยชน์กับ คอบครวพี่น้องวงตระกูลมันไอความบุญกุศลเนี่ยบุญกุศลเกิดจากพิปัสนาเนี่ยมันเป็นบุญกุศลขั้นสูงถ้าเราทําได้จริงๆเนี่ยมันครอบคลุมไปสู่ญาติพี่น้องเราญาติพี่น้องเราเคยมีปัญหาเคยเจ็บคขยป่วยเขาก็จะมีดีขึ้นเราก็ไปโปรดเขาง่ายไปสอนเขาง่ายขึ้น มันมีความอาหารความกล้าหาญของมันเองแล้ปฏิบัติทําแล้วบอกว่าพูดไม่เป็นไม่กล้าพูดเป็นไปไม่ได้เพราะปฏิบัติทําอย่างถูกต้องแล้วมันเกิดสติปัญญาเกิดความกล้าหาญของมันเองเกิดความเมตตากรุณนาะที่อยากจะพูดอยากจะทําของมันเองมันจะมีการเปลี่ยนแปลงถ้าไม่เกิดเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนแล้วก็ทําเล่นๆหัวหัวไม่จริงจังไม่จรจิงใจมันก็ไม่เกิดนะมันก็เสียเวลาชีวิตไปเพราะนั้นเราจะต้องทําอะไรสักอย่างให้มันจริงจังขึ้น อย่างที่แ ล, แล้วมาอาจจะไม่จริงจังก็ทำอะไรให้มันจริงจังขึ้นนะเพราะงานนี้ก็เป็นการศึกษาร่วมกันนะครับแล้วผมถูกสมมติว่าเป็นกรลยะาณมิตรเป็นครูก็จะพยายามช่วยเต็มที่เหมือนกันเพื่อจะไม่ให้ท่านทั้งหลายเสียเวลามาอยู่ด้วยนะขอให้ได้ใช้เวลาอย่างเต็มที่เพะนั้นจากช่วงนี้ไปล้วก็ที่ได้กล่าวแล้วว่าเราจะสวด